ธรรมบทแปลเรื่องบุรุษโรคเรือนชื่อสุ ป, ปะพุทธะภาคที่สเรื่องที่ห้าสิบพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในราเวรุวันทรงปรารบบุรุษโรคเรือนชื่อสุ ป, ปะพุทธะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจะรันติภาลา ทุมเมธาอมิตเตเนวะอัตนากะโรนตาปาปะกังกัรมยะโหติกะตุกับพลังแปลว่าคนผ่านทั้งหลายมีปัญญาสามมีตนเป็นดั่งข้าศึกเที่ยวทำกรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่ดังนี้ตอน สุ ป, ปพุทธะกราบทูลกุณวิเศษแด่พระศาสดาเรื่องสุ ป, ปพุธานีมาแล้วในอุทานนั่นแหละในการนั้นสุ ป, ปพุทธะกุติคือบุตรโรคเรือนชื่อสุปาพุทะนั่งที่ท้ายบริษัทฟังธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงบรรลุ สวสดาปฏิผลปราถนาจะกราบทูลคุณที่ตนได้แล้วแก่พระาศาสดาแต่ไม่อาจเพื่อจะแทรกเข้าไปในท่ามกลางบริษัทจึงได้ไปยังวิหารเชตวันในเวลาที่มหาชนถวายบังคมพระาศาสดากลับไปแล้วตอนคนมีอริยทรัพย์เจ็ดเป็นผู้ไม่ขัดสน ขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าสุปปพุทธกุฏินี้ใครเพื่อกระทำคุณที่ตนได้ในศาสนาของพระศาสดาให้ปรากฏท้าวสักกะจึงมีความดำริที่จะทดลองนายสุปปพุทธกุฏินั้นจึงเสด็จไปยืนในอากาศแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าสุปปพุทธ เธอเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นมนุษย์ยากไร้เราจะให้ทรัพย์หาที่สุดไม่ได้แก่เธอแต่เธอจงกล่าวว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์อย่าเลยด้วยพระพุทธแก่เราอย่าเลยด้วยพระธรรมแก่เราอย่าเลยด้วยพระสงฆ์แก่เราดังนี้ลำแบับนั้นสุ ป, ปพุทธกุติอัน จึงได้กล่าวกับเทา้าส ก, กัดนั้นว่าท่านเป็นใครเทา้าส ก, กัดเราเป็นเท้าสกัดสุภ ป, ปุตตะท่านผู้เป็นคนอันตพาลผู้ไม่มีอย่างอายท่านเป็นผู้ไม่สมควรจะพูดกับเราท่านพูดกับเราว่าเราเป็นคนเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนกบร้าเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเลย เราเป็นผู้ถึงความสุขมีทรัพย์มากทรัพย์เหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาหนึ่งทรัพย์คือศีหนึ่งทรัพย์คือหิริหนึ่งทรัพย์คือโอตตะปาหนึ่งทรัพย์คือสุตตะหนึ่งทรัพย์คือจาค้าหนึ่งปัญญาแลเป็นทรัพย์ที่7ย่อมมีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามบัณฑิตทั้งหลาย กบุคคล น, นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของบุคคล น, นั้นไม่ว่างเปล่าเพราะเหตุนั้นอริยทรัพย์มีอย่างเจ็ดนี้มีอยู่แก่ชนเหล่าใดแลชนเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่กล่าวว่าเป็นคนจนเลยทาวส ก, กะทรงสดับ พ่อยคำของสุปปะพุตานั้นแล้วทรงละเขาว้ในระหว่างทางเสด็จไปสู่สำนักของพระศ า, ศาสดากราบทูลการโต้ตอบถ้อยคำนั้นทั้งหมดแก่พระศาสดาแล้วํดำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับท้าวสักกะนันว่าท้าวสักกะทั้งร้อยทั้งพัน แห่งคนทั้งหลายผู้เช่นกับพระองค์ไม่อาจเพื่อจะให้สุปาพุทธกุติกล่าวเลยว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมหรือพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ได้เลยฝ่ายสุปาพุตานั่นแหละได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาพระศาสดาทรงกระทาให้บันเทิงแล้ว กราบทูลคุณที่ตนได้แล้วแดพระาศาสดาลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนปรงชีวิตสุ ป, ปะพุทธานั้นผู้หลีกไปแล้วไม่นานตอนบรุรพกรรมของสุ ป, ปะพุทธและแม่โคได้ยินว่าโคแม่ลูกอ่อนนั้น เป็นยักษ์ินีตนหนึ่งเป็นแม่โคปรงชีวิตชนทั้งสีน่นี้คือกุลบุตรชื่อปุกุษาติหนึ่งพาหิยะทารุจิริยะหนึ่งในคราวแดงผู้ฆ่าโจนหนึ่งและสุปพุทธกุ ธ, ธิอีกหนึ่งคนละร้อยอัตภาพได้ยินว่าในอดีตการชนเหล่านั้น เป็นบุตรเศรษฐีทั้งสี่คนนำหญิงแพรสยาผู้เป็นนกรโสเพนีคนหนึ่งไปสู่วันอุทยานเสวยสมบัติตลอดบันแล้วในเวลาเย็นปรึกษากันอย่างนี้ว่าในที่นี้ไม่มีคนอื่นเราทั้งหลายจะถือเอากหาปะนะพันหนึ่งและเครื่องบระดับทั้งหมด ที่พวกเราให้แกหญิงนี้แล้วข่าหญิงนี้เสียไปกันเถิดหญิงนั้นได้ฟังถ้อยคำของเศรษฐีบุตรเหล่านั้นแล้วจึงมีความคิดว่าชนพวกนี้ไม่มีอย่างอายอภิรมกับเราแล้วบัดนี้ปรารถนาจะฆ่าเราเราจะรู้กิจที่ควรกระทำแก่ชนเหล่านั้นก็เมื่อถูกชนเหล่านั้นฆ่าอยู่ จึงได้กระทำความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นยักษณีผู้สามารถเพื่อฆ่าชนเหล่านั้นเหมือนอย่างที่พวกนี้ฆ่าเราฉะนั้นเหมือนกันดังนี้ภิกษุหลายรูปกราบทูลการกระทำกาละของสุปปะพุทธนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ทูลตามว่า คติของสุ ป, ปะพุทธนั้นเป็นอย่างไรเพราะเหตุไรเขาจึงถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนพระศาสดาทรงพยากรณ์ความที่สุ ป, ปะพุทธนั้นบนรรลุโซดาปฏิผลแล้วเกิดในดาวดึงปพและการเห็นพระตะคะสิกีปัจเจกพุทธเจ้าทมน้ำลายแล้วหลีไปทางซ้าย ไม่แล้วในนรกตลอดกาลนานด้วยวิบากที่เหลือจึงถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนในบัดนี้แล้วจึงได้ตรัสว่าพิกษุทั้งหลายชาติเหล่านี้เที่ยวกระทำกรรมมีผลเผ็ดร้อนแก่ตนเองแ ล, และนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงรามสืบ อ, อนุสนธิให้ยิ่งขึ้นไป จึงตรัสประกาศนี้ว่าชนพานทั้งหลายมีปัญญาสามมีตนเป็นดัง่งฆาศึกเที่ยวทำกรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่บาลีว่าจรันติภาลาทุมเมทาอมิเตเตเนวะอัตนากะโรนตาป้าปกังกัมมัง ยะโหติกะตุกับพลังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจะรันติแปลว่าเที่ยวหมายความว่าเที่ยวกระทำอกุศลอยู่ทายเดียวด้วยอิริบทสีส่วนทั้งหลายผู้ไม่รู้ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าชื่อว่าพานในคำว่าภาลานี้ คำว่าท um ุมเมตาคือมีปัญญาสามหมายถึงมีปัญญาเก่าคำว่าอะมิเตเนวะแปลว่าเป็นดังฆ่าศึกหมายความว่าเป็นราวกับว่าคนมีเวนผู้มิใช่มิตรคำว่ากัตุกับพลังแปลว่ามีผลเผ็ดร้อนหมายความว่ามีผลกล้าแข็ง คือมีทุกเป็นผลในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบันรลุอริยผลทั้งหลายมีโสนาปฏิผลเป็นต้นหนังนี้แหละเรื่องสุปปพุทธกุ ธ, ธิ